พระเทรีบางท่านเนี่ยบวชยี่สิบห้าปีนะไม่เคยสงบเลยสมัยพุทธกาลนะท่านไม่เคยสงบเลยนิ่งสบายใจชั่วหน่อยเดียวไม่มีกิเลสมันกลุ่มรุมตลอดนะทนบวชอยู่ยี่สิบห้าปีปีที่ยี่สิบห้าจึงได้บรรลุของเราเนียังไม่ได้ถึงขนาดนั้นอะไรเลยอยก็บอกว่าคือเราแพ้ตั้งแต่ยังไม่ทันตั้งเลยนะกิเลสกลุ่มรุมมันก็เหมือนนี่สินมาก แต่ว่าศาสนานี้มีรัตนะเต็มไปหมดเลยพระพุทธเจ้าสอนธรรมะทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้กําจัด ก, กิเลสกลุ่ม ร, มรุมเหล่านี้นี่แหละอันถ้าเรามีศรัทธาเนี่ยนะสำคัญที่สุดว่าเราคิดยังไงกับคาสอนเรามีความตั้งใจแค่ไหนกับคาสอนเนี่ยนะอันนี้นี่คือตัวแรกก่อนนะข้อสองเรามีวิธีการศึกษาคำสอนอย่างไรเนี่ยนะแล้วกิจกรรมที่เราเป็นไปกับคำสอนวันละเท่าไหร่ นนสมควรไหมเป็นต้นเนี่ยอันนี้ที่ต้องมาหมั่นคิดหมั่นใครครวนหมั่นพบทวนบ่อยๆคือแต่ถ้าเราเรียกว่าถ้าท้อแท้มันก็ท้อแท้ตลอดไปเชื่อมันยังไงก็งอกเงยไม่ได้ซึ่งถ้าเรานะเราก็มา้ น, นดูนะถ้าเราเจริญไว้ตอนนี้ไม่ดีแกกว่านี้เราเดือดร้อนเนี่ยนะอันนี้เห็นชัดเลยว่าแกกว่านี้เดือดร้อนจริงๆ อย่างสมมติเ อ, เอาไง่งายผู้การเนี่ยถ้าไม่รีบศึกษาช่วงนี้ไว้นัอีกห้าปีผ่านไปนะอะไรจะเกิดขึ้นแต่ช่วงนี้ถือว่าเป็นหนุ่มที่สุดแล้วหลังถอยหลังแถลงนี้ไปนะวันนี้หนุ่มกว่าพรุ่งนี้เชื่อเนี่ยนะถ้าไม่ขวนขวายไว้อย่างเนี้ยจะอะไรจะเกิดขึ้นหลายๆคนก็เป็นอย่างนั้นถามว่าถ้าไม่รีบขวนขวายไม่ตั้งอัธยาศัยไว้ให้ดีวันนี้นะพรุ่งนี้จะแก่วันหนึ่งแล้วนะเดินเข้าไปหาความตายอีกวันหนึ่ง สมมติวันนี้เราไม่ป่วยไม่แน่นะเอาอะไรมารับรองว่าพรุ่งนี้เราไม่ป่วยพรานก็ควรตั้งควรอะไรเอาไว้ให้ดีๆควรตั้งอัตตสัมมาปณิทิตั้งอัธยาสาัยเอาไว้ให้ดีเลยอะ่ะเพราะทําไม่เพราะว่าชีวิตนะถ้าปล่อยไปวันๆหนึ่งก็คงจะเสียหายมากๆส่วนใหญ่ที่ที่เจริญได้ไม่ค่อยดีเนื่องจากว่าความชัดเจนในการศาึกษาไม่ค่อยพอทีนี้การเจริญเนี่ยนะ การเจริญเนี่ยพ่อชงพระผู้มีพระภาคตรัสไว้เจ็ดประการเมื่อจิตเบื่อหน่ายท้อแท้ที่จะเจริญกุศลเป็นสมัยที่ต้องเจริญวิริยะสัมโยชงเป็นสมัยที่ต้องเจริญปีติสัมโยชงสมัยที่ต้องเจริญธรรมวิจยะสัมโยชงแต่เมื่อใดที่จิตมันเมื่อว่ามันฟุ้งเกินไปเพียนมากไปอะไรมากไปสมัยที่เราต้องเจริญสมาธิสัมโยชงปัตสัททิสัมโยชงสภาพจิตของเราเนี่ยนะ มองให้ดีๆก็เหมือนกับเด็กๆบางครั้งเขาต้องการกําลังใจเราก็ต้องให้กําลังใจเขาเช่นด้วยการเจริญเมตตานะขอให้เจริญพุทธานุสติทำมานุสติสังขานุสติขอให้เจริญงอกงามในพระาศาสนาขอให้ได้ฟังธรรมขอให้จิตอยู่เย็นเป็นสุขเจริญเมตตาให้กับตัวเองนั่นแหนละทีนี้ถ้าว่าจิตมันดูทําท่ามาแอบไฟนรกก็ไม่ค่อยร้อนสักเท่าไหร่นะถ้าอย่างงี้ก็ต้องสังเวกวัตถุบ้างแลนะ้วะ คือเขาต้องสังเกตฉลาดในสภาพจิตของตัวเองมากๆเลยว่าจะต้องจัดการอย่างไรกับตัวเองจะต้องเหมือนกับบริโภคอาหารนั่นแหละหาอาหารปัจจัยโดยเฉพาะหาผัสสอาหารมโนสันเจตนาอาหารให้แก่สภาพจิตว่าอย่างของมาศึกษาพระธรรมตอนแรกๆอ่านพระไตรปิฎกตอนแรกๆเนี่ย น, นะอ่านพระไตรปิฎกตามสภาพจิตของตัวเองถามว่าวิธีการก็คือว่างๆนะเราพลิกดูให้หมดเลยมีอะไรบ้าง ในพระไตรปิฎกมาพลิกดู น, นะแล้วก็โนตโนตไว้หน่อยว่าในกลุ่มนี้อย่างเรื่องนี้เรื่องนี้พอสภาพจิตเราฟุ้งซ่านมากอ่านชาดกเนี่ยชักช่วงนี้ชักไม่ค่อยไหวลแล้วนะคิดเรื่องลึกซึ้งอะไรไม่ได้อ่านชาดกไปก่อนอ่านธรรมบทไปก่อนเอ๊ะช่วงนี้สบายใจสงบดีเอาอ่านอภิธรรมหน่อย อ, อ่านพระสูตรที่ลึกซึ้งอ่ะนะสูตรไหนที่อ่านตอนฟุ้งซ่านไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะแล้วก็ไปอ่านแล้วก็แยกช่วงนี้เราชักขี่เกียรนัไปอ่านเรื่องเข้าบำเพ็ญเพียรกันอ่าน ช่วงนี้ทําไมเราไม่เห็นคุณของศีลเรก็ไปอ่านเรื่องอ น, นิสงค์ของศีลก็ทําให้จิตใจเราเนี่ยเป็นไปกับคําสอนท่านว่างๆเราก็ต้องเอามาพลิกดูบ้างยังไม่อ่านก็พลิกไว้ดูเคราโครงบ้างก็ออยังดีอ่ะนะเหมือนกับอะไรนะเอาแคทล็อกมาดูบ้างนะว่าเขาเป็นมีอะไรบ้างเขาองค์ประกอบไปด้วยอะไรเราก็จะได้แก้ไขาตามสถานการณ์คือในยุคนี้มันเป็นยุคเป็นยุคที่เรียกว่าหมอทิ้งตํารายาเอาไว้ให้ คนไข้ก็มาร่วมกันอ่านตำรายาแล้วก็กลับไปปรุงทานกันเองน่นะน่นะนะก็ก็เป็นอย่างนี้จริงๆมันเป็นยุคที่ช่วยเหลือตัวเองมากเพราะเราทั้งหลายเป็นพวกธรรมเวไนนะก็ถือทมเป็นเป็นผู้ฝึกเอาพระธรรมนี่มาเป็นสิ่งที่ฝึกเราโดยที่เราหมั่นระลึกถึงคำสอนเพราะในยุคนี้มันก็คือมันก็บอดร่วมเดินทางด้วยกันนี่แหละถ้าใครเห็นอริยสัจคนนั้นก็สว่างละ นั้นทีนี้ก่อนที่จะเห็นอริยสัจทำอย่างไรเนอที่เราทั้งหลายจักเห็นอริยสัจเพราะฉะนั้นบางครั้งก็อย่างว่าบางครั้งก็ปลกุกปลอบบางครั้งก็ต้องข่มบางครั้งก็ต้องให้กําลังใจองค์ของโคปาลกาสูตรเนี่ยนะนายโคบานผู้ฉลาดองค์มีเขามีองค์ประกอบในการเลี้ยงโคกับภิกษุผู้บวชเข้ามาก็ลักษณะเดียวกันนะของเราก็เหมือนกันบางครั้งเราก็ต้องสนทนาก็ช่วยได้บางครั้งก็ฟัง หรืออีกในหนึ่งก็เอามงคล38ประการมาใช้ก็ได้เนี่ยนะสาธยายให้เป็นไปตามมงคลตอนนี้เราปฏิบัติได้กี่มงคลตอนนี้เราขาดมงคลข้อไหนมงคลข้อไหนที่เราไม่สมบูรณ์เพราะว่ามงคลถ้าปฏิบัติได้ทั้ง38พระองค์ก็ตรัสอยู่แล้วว่าไม่ปรชาชัยในที่ทุกแห่งจะไม่พ่ายแพ้อยู่แล้วเราก็มาดูตามมงคลของเราเพรันการศึกษาธรรมะนี่ก็ยากที่จะบอกดุมๆว่าเอานะไปท่องเอานะนี่คาถาคลังเอาไปเลย มันไม่เพียงพอหรอกที่จะจะรักษาสภาพจิตของเราเพราะจิตของเราเนี่ยป่วยมานานแล้วเนี่ยนีเศร้ามองมานานแล้วเนี่ยนีไม่รู้ว่าเจอปฏิฆานิมิดก็โกรธไม่รู้ว่าเจอเรื่องไม่เป็นเรื่องก็ยังโกรธเลยเนี่ยนีเจอเรื่องบางเรื่องก็ดีใจเลยเจอเรื่องบางเรื่องก็ดีใจเจอเรื่องบางเรื่องก็ูกใจเจอเรื่องบางเรื่องก็ลําบางกใจเรามันเศร้างเองมาขนาดนั้นทงกี้แก้ความเศร้างเองเหล่านั้นได้อย่างไร ถ้าหากว่าเห็นความเศร้าหมองของจิตเราแล้วนะรู้เลยว่าโอ้พรไตรปิดกสําคัญมากๆควรแล้วที่จะมีมากขนาดนี้ถ้ามีน้อยกว่านี้แย่แน่เนี่ยนะไม่พอแน่ที่จะรักษาจิตเรานะดีใจเหลือเกินที่ปไตรปิดกมีเท่านี้เนะี่ถ้าน้อยกว่านี้ของมาคงจะเสียใจมากเลยบอกโอ้ไม่พอรักษากิเลสเราเราะเนี่ยนี่ยเออนี่มันเข้ามันค่อยสูสีกันหน่อยนะว่าเออกิเลสมากเท่านี้เพราะพระไตรปิดกเท่านี้เออไปไเป็นไปได้เป็นไปได้ที่จะกําจัดกิเลสเราได้จริง แต่เราอย่าไปคิดหาวิธีเอาเองเลยเนี่ยนะถ้าเราคิดหาวิธีเอาเองเราก็ไม่รู้นับถือพระพุทธเจ้าไปทำอะไรวิธีทั้งหลายพระพุทธเจ้าสอนไว้ดีแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอย่างที่กล่าวเมื่อวานว่าควรแล้วที่เราจะดีใจปราบปลื้มใจโสมนัสว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้ดีจริงๆเราแค่คิดตามหน้าที่ของสาวกทำยังไงคิดตามทาตามผู้ตามถ้าศาสนามไม่รู้จริงนะสาวกระแวงไว้เถอะ แต่ถ้าศาสนาคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีอะไรต้องระแวงเพราะพระองค์ทำทุกอย่างเพื่อเพื่อเราดังที่กล่าวว่าถ้าพระองค์ทำเพื่อพระองค์พ ร, งคพระองค์ก็ตรัสรู้มาแล้วเมื่อเสียสงไขยแต่ที่เหลือเพื่อสัตว์อื่นเราก็ไม่มีอะไรจําเป็นที่ต้องน่าระแวงสําหรับเราตอ่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะไม่มีผู้ใดหวังดีต่อเราอย่างแท้จริงผู้ที่หวังดีต่อเราจนถึงกับเรามีเราเป็นอารมณ์แล้วเข้าฌานได้คือ พระพุทธเจ้าพระองค์มีเราแล้วเข้าพรหมมิหารได้นะแต่ทีนี้มีบุคคลอื่นไหมที่ถึงขนาดนั้นเขาก็ไม่เป็นเมื่อไม่เป็นเราทํำยังไงอ่ะเราก็ต้องทราบซึ่งในคุณของพระองค์พระองค์อยากให้เราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันเราก็ให้กําลังใจเราขอให้เราเจริญงอกงามในธรรมของพระพุทธเจ้านะขอให้เราเห็นธรรมของพระพุทธเจ้าขอให้เราบรรลุธรรมของพระพุทธเจ้าเวลาที่เราไม่สบายใจเราก็ควรจะนิ่นถึงลักษณะนี้บ่อยๆแต่ทีนี้ว่าไม่ต้องกลัวว่านี่เป็นการขอสิ ในโลกนี้ถามจริงอะไรมั่งไม่ขอหมายมั่นใจมากฉันจะไม่ขอคนอื่นโดยประการทั้งปวงถามว่าทำได้ไหมอ๋อจะไม่ขออะไรใครเลยเด็ดขาดแน่จริงคือถ้ามันแน่จริงขนาดนั้นนะมันก็ไม่จริงอีกนั่นแหละเชื่ อ, อแล้วทำไมเราขอตัวเองมั่งไม่ได้คนอื่นก็มันขอมาตั้งเยอะเลยขอให้ตัวเองเจริญทำไมขอไม่ได้ ก็ขอร้องกันดีๆเนี่ยขอหมายถึงขอร้องอ่ะนะไม่ได้ขอในลักษณะนี้หรอกคือขอร้องตั้งอัธยาศัยโน้มน้าวไปเ น, นี่นีจิตเนี่ยมันอยู่ที่การโน้มน้าวจริง ๆ, ๆบางเล่มนะเขามาอ่านก็ะไตรปดอกบางเล่มอ่านไม่รู้เรื่องเลยเชื่อไหมไม่รู้ท่านว่า ย, ยัางไงแต่ถามาตอนหลังก็พออ่านได้อย่างสบายใจเพราะเราตั้งความปรารถนาว่าขอให้เราเข้าใจขอให้เรามีความรู้ความเข้าใจทําบุญแล้วก็ตั้งความปรารถนา ทำบุญเรื่องอื่นก็ตั้งความปรารถนาก็ขอให้เราเข้าใจในคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งไวบ้บ่อยๆทํากุศลแล้วก็มีโน้มนาวไปนะในที่สุดเจริญได้พระพุทธเจ้าตรัสอยู่แล้วว่าแม่น้ําที่ไหลทุกเส้นเนี่ยนะแม่น้ําสายใหญ่ๆทุกสายเนี่ยไหลไปที่ไหนไหลส่งลงสู่ทะเลผู้ที่ปฏิบัติตามคําสอนเนี่ยไหลไปสู่ที่เดียวคือที่สุดแห่งทุกคือพระนิพพานอั้นขอให้เราไหลไปตามคําสอนเถอะเพราะคําสอนเนี่ย มุ่งปฏิบัติเนี่ยนะมุ่งให้ผู้ปฏิบัติไม่ให้ถอยหลังไปสู่กิเลสกรรมตั้งเขาว่าให้ไหลไปสู่อมตะทิพย์โดยส่วนเดียวคือจริงๆนะว่าอาการขอก็คือเหมือนกับตั้งอัธยาศัยของเราไปก่อนตั้งอัธยาศัยว่าจิตของเราเนี่ยมุ่งไปอย่างนี้แล้วนะแต่ทีนี้ว่าจะได้อย่างที่ขอหรือไม่เราก็มาศึกษาปัจจัยนะศึกษาปัจจัยที่จะทำให้ให้ถึง คือเรียว่าศึกษาวิธีการที่จะทําให้ถึงสิ่งที่เราต้องการเมื่อเรามีอัธยาศัยที่ดีแล้วนะอัธยาศัยของเราเนี่ยเป็นตัวกําหนดอย่างสมมุติอย่างง่ายๆว่าบางคนเนี่ยเขามีความตั้งใจจะไปฟังธรรมเขาตั้งใจจะฟังธรรมถามว่าตอนนั้นเขาฟังทันทีเลยได้ไหมโดยมากไม่ได้โดยมากนะเพราะเหตุไม่พร้อมที่จะได้ฟังในตอนนั้นหรอกแต่ว่าไอ้ความตั้งใจอันนั้นนีช่วยมาก ก็มีโยมคนหนึ่งนะเขาบอกว่าขับรถผ่านไปเห็นป้ายติดประกาศว่าศึกษาพิธมหรือศึกษาพระธรรมเนี่ยนะตอนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้อ่านไม่ได้เรียนแต่เขาบอกเขาจะต้องเรียนให้ได้อ่นะสามสิบปีผ่านไปจึงได้เรียนนี่ก็เหมือนกันขอให้เรามีจิตโนมไปเถอะบางคนนะ่าปรารถนาะบรรลุมรรคผลเขาปรารถนาะทิ้งไว้ตั้งเมื่ อ, อไหร่แสนกับที่แล้วอ่นนะ เขายังรอได้ตั้งแสนกับพองเราจะรีบไปไหนถึงรีบเราก็ไม่ได้รีบอะไรหรอกเรเท่าเดิมนั่นแหละมันถึงมันร้อนมันเย็นนะสมมติอะง่ายๆว่าถ้าคุณรถติดนะถึงคุณอยากถึงที่ตรงโน้นมากๆนะข้างหน้ามรถติดอะคุณจะไปยังไงเนี่ยนะมันก็เหมือนกับรถติดเนะี่ยแต่ช่วงนั้นขอให้เบนอัธยาศัยให้ถูกศึกษาเส้นทางให้เข้าใจแล้วมีทิศทางที่ชัดเจนแน่นอนส่วนที่เหลือแล้วค่อยว่าอีกทีนึง เพราะบางเรื่องนะเหมือนก็เหมือนก็อยู่บนถนนน่ยรถติดแล้วคุณจะไปทํำยังไงบีแตรไล่ข้างหน้ า, นาแทนที่จะได้เร็วขึ้นแับช้าลงไปอีกนะเพราะมัวต่ทะเลาะคนอื่นมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นก็ชีวิตนี้ก็เป็นอย่างนี้จริงๆบางครั้งเราอยู่บนถน น, นถึงจะรีบมากมันก็ไม่ได้เพราะว่าเหตุผลตอนนั้นมันเป็นอย่างนั้นถึงรถมันล่องๆถึงเราไปขับตั้งสองร้อยเลยนะก็ไม่รู้จะถึงจริงหรือเปล่าก็าไม่รู้ เพราะว่าไอความพอดีเนี่ยสำคัญแต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้อ่ะนะอัธยาศัยที่เราตั้งไว้ในตอนแรกสําคัญที่สุดทิศทางที่เราตั้งไว้โอนไปเอ็นไปตัวนี้สําคัญที่สุดทีนี้ความเป็นไปได้ก็มาศึกษาในชีวิตที่เป็นจริงแต่การเจริญขอให้ข้าพเจ้าเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ขออะไรที่มันเกินเป็นจริงแต่เราไม่ใช่เราไม่มีความรู้แต่นิวรเรากลุ่มรุมเกินไป เราไม่ได้ตั้งอัธยาศัยอย่างนี้มาเราจึงเจริญไม่ได้ข้อมูลที่เรามีอยู่นะเจริญได้สบายๆเชื่อเถอะไม่รู้นางวิสาขาได้ฟังทำเท่าเราหรือเปล่าท้ามองเหตุผลทั่วๆไปเลยนะแต่ทำไมท่านเจริญได้ขนาดนั้นกันเพราะท่านตั้งใจดีเพราะท่านมีอัธยาศัยที่ชัดเจนท่านมีความรู้ความเข้าใจเป็นต้นไอ้ความชัดเจนในเบื้องแรกนี่สำคัญ หนึ่งนะถ้าเราไม่เคยตั้งไว้ขอให้ข้าพเจ้าเจริญกายานุปัสนาสติปัฏฐานทั้ง7ได้บริบูรณ์เออเนี่ยนะรูปประกอบด้วยภูตรูปและมหาภูตรูปก็าหาวแล้วออนะ <c oughs> จะเลิกแทบจะเลิกแล้วนะแทบจะพอแล้ว่ะแต่ถ้าเราตั้งไว้เยอะๆในตอนแรกนะออทิศทางก็เป็นอย่างนี้นะเจริญได้อย่างนี้อย่างนี้พอพิจารณาในตอนหลังก็จะเป็นไปได้จริงๆคือให้มีทิศทางจริงๆอ่ะนะโน้มน้าวให้ให้ทิศทางที่เราศึกษาเนี่ย ให้ชัดเจนตัวนี้สำคัญที่สุดละธรรมะเนี่ยนะถ้าเราฝึกเจริญเมตตาบ้างนะจะจะช่วยให้เราเย็นลงขึ้นอีกเยอะศึกษาธรรมะนั้นมันเหมือนร้อยเข็มมั้นะยิ่งรีบร้อยก็ไม่ได้ว่าจะยิ่งเคยร้อยเข็มไหมใครเคยร้อยเข็มมงเคยจับเสียบจับเสียบเอาเลยใช่ไหม แล้วถามว่าทำยังไงทำสบายๆดูที่อื่นบ้างร้อยผิดร้อยถูกกระช่างมันมันก็ไม่ใช่เออมันต้องมีความพอดีไนะแต่มื่อวันบอกเครื่องมือช่วยเลยน ะ, ะถ้าเครื่องมือช่วยนี่ก็พระไตรปิฎกนี่แหละเครื่องมือดีที่สุดละเครื่องมือที่อันนี้พูดถึงว่าการร้อยพระธรรมวินัยก็เหมือนกันปฏิบัติธรรมคือร้อยจิตของเราให้เป็นไปตามธรรมกับวินัยเนี่ยนะโดยสภาวะนะ คือการร้อยสภาพจิตให้เป็นไปตามทมตามมินายตามคำสอนได้ยาวๆเนียการร้อยจิตเนี่ยซึ่งชาวนะเราไปเรื่องอื่นซะส่วนใหญ่เนี่ยวัชนะยังไงให้เป็นไปกับคำสอนนะฮะท่านในตอนแรกเนี่ยถ้าสำหรับคนที่เรียกว่าเดี๋ยวก็โทรศะ์กลุ่มรุมเดี๋ยวก็ราคากลุ่มรุมไปต้นเนี่ยนะเราต้องมาฝึกเจริญเมตตาให้ให้ตัวเองก่อนขอให้เราเจริญพุทธานุสติเป็น ขอให้เราเจริญพุทธานุสติได้มากขอให้เราจิตสงบในการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าขอให้เราเห็นคุณของพระพุทธเจ้าขอให้เราทราบซึ้งในคุณของพระพุทธเจ้าขอให้เรามีความเข้าใจในพระธรรมขอให้เราเนี่ยทรงจําพระธรรมได้ขอให้จิตของเราเป็นไปกับพระธรรมขอให้เราคิดถึงอะไรเหพิจารณาธรรมะในทุกวัตถุได้ขอให้เราเห็นความปฏิบัติดีของพระสงค์ขอให้เราเห็นความปฏิบัติตรงของพระสงค์มีภาษาริบุตรเป็นต้น ขอให้เรารู้จักศีลของพระสงค์ขอให้เรารู้จักสมาธิวิปัสนาปัญญาเป็นต้นของพระอริยะทั้งหลายนะขอให้เราเจริญงอกงามในศีลของพระพุทธเจ้าขอให้เราเจริญงอกงามในสัพพะที่พระพุทธเจ้าสอนขอให้เราเจริญงอกงามในวิปัสนาที่พระพุทธเจ้าสอนขอให้เราเนี่ยมีใจยินดีในทานก่อนให้เราก็สบายใจหลังให้กําลังให้เราก็มีความสุขให้เสร็จแล้วเราก็ปลาบปลื้มในทานขอให้เรา เจริญจาคานุสติขอให้เราตั้งใจอยู่ในศีลขอให้เราเจริญศีลานุสติได้อย่างสงบจิตเนี่ยที่อย่างนี้บ่อยๆก็คือตั้งเอง็อัธยาศัยไปตามสมถะและวิปัสสนาและการคาสอนตั้งแบบนี้บ่อยๆบ่อยๆเนี่ยนะแล้วเขาขึ้นมาบอกเรานะเออนี้นี่เป็นสมบัติของเรานะ ส, สิ่งที่เราเจริญอันนี้จะให้ผลเป็นสุขสําหรับเราเชื่อไหมจิตของเราเนี่ยน ะ, ะคุณสังเกตดูนะ เวลาเกี่ยวข้องกับคนทั่วๆไปนะถ้ามีเหตุผลไม่เพียงพอเราไม่เอานะหลายๆเรื่องนะเราก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายๆอะไรเป็นหมดเลยใช่แต่ถ้าเรื่องใดเรามีเหตุผลเพียงพอเราจะทํำสิ่งนั้นเลย ท, ทันทีนี่ก็เหมือนกันเรารู้จักให้เหตุผลแก่สภาพจิตจิตนี่บางครั้งเนี่ยนะู่อย่างเดียวไม่พอก็ลองสังเกตนะใครดุเราอย่างเดียวเราก็ไม่ชอบใครอ้อนวอนขอร้องเราโดยส่วนเดียวเราก็ไม่ชอบ ถามว่าไอเรียลที่ชอบเป็นยังไงก็ความพอดีอะไรมันควรแค่ไหนเป็นต้นเกี่ยวข้องกับสภาพจิตนั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆบางครั้งก็ต้องการเจริญเมตตานะเป็นการปลอบเป็นการเจริญปัสสัที่สัมโพชงเนี่ยนะขาให้เราสบายใจขอให้เราสงบขอให้เรามีความสุขความเจริญในคําสอนจริงๆนะเราแค่ฝึกคิดอย่างนี้แค่วันละหนาทีเนะี่ยคิดอยู่สักปีหนึ่งเหอะจะสบายใจกว่านี้เยอะเนี่ยนะ ก็อย่างที่ว่าขอให้เราทําปริญญาในทุกได้ขอให้เราละสมุทัยได้ขอให้เราทํานิโรธให้แจ้งได้ขอให้อบรมเจริญอริยมรรคได้พระพุทธเจ้ากําหนดรู้จกักขู่ขอให้เราพิจารณาเห็นจักขู่ตามที่พระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าละจักขู่สมุทัทยขอให้เราละจักขู่สมุทัยตามที่พระพุทธเจ้าสอน ค, ค่อยๆนึกไปอย่างนี้นะเราสามารถเจริญเมตตาอย่างนี้ให้กับตัวเองได้อย่างอย่างมากไม่ใช่น้อยเลย ซึ่งความรู้ที่เรามีอยู่นะถ้าเราเอากรรมฐานหลักๆมาเจริญแค่สีข้อนะเราได้ดีคือเจริญพุทธานุสติเจริญเมตตาเจริญอสุภะเจริญมรณะเนี่ยนะกรรมฐานสข้อนีออ้ท่านถือว่าสัพพะทักกะกรรมฐานเป็นกรรมฐานที่จําเป็นมากบริหารเอาไว้ให้เป็นอัธยาศัยเลยหนึ่งพุทธานุสติขอให้เราเห็นคุณของพระพุทธเจ้าในทุกขนทุกแห่งเราน่าจะคิดอย่างงี้เนละ ขอให้เราเห็นคุณของพระพุทธเจ้าทุกผนทุกแห่งเห็นดอกไม้เนี่ยขอให้เราเห็นคุณของพระพุทธเจ้าในดอกไม้ก็ผู้ที่เห็นคุณของพระพุทธเจ้านะเชื่อไหยหน้าผาเขายังมาว่ารูปเป็นพระพุทธรูปได้เลยเอานั่นเขาเห็นคุณของพระพุทธเจ้าวางไว้ทุกผนทุกแห่งเขาเห็นอิฐเห็นหินเห็นทรายเขาปั้นเป็นพระพุทธรูปได้นั่นคือเขาเห็นในส่วนที่เป็นรูปนะถ้าหวนเห็นในส่วนที่เป็นนามธรรมล่ะอรหังตคุณ นี่พระพุทธเจ้าไม่มีกิเลสในวัตถุเหล่านี้เลยพระองค์ปราศจากราคะาในวัตถุเหล่านี้พระองค์ไม่มีโทสะในวัตถุเหล่านี้เลยพระองค์ไม่มีโมหะในสิ่งเหล่านี้เลยสิ่งเหล่านี้นะพระองค์รู้ยิ่งหมดแล้วพระองค์กําหนดรู้หมดแล้วพระองค์ละหมดแล้วพระองค์เจริญหมดแล้วเราก็ถ้าขอให้เราเห็นคุณของพระพุทธเจ้านะแค่ให้ตั้งใจอย่างนี้ไว้เถอะไม่นานสักเราเท่าไหร่เราจะเจริญพุทธคุณได้นะขอให้เราเห็นคุณของพระธรรมขอให้เราทรงจําพระธรรมได้ อนนะเห็นคุณของพระธรรมเธออย่างนีน้แล้วก็มีจิตโน้มน้าวไปบางคนเขาบอกเขาไม่มีความสามารถในการท่องจําพระธรรมเพราะมาไม่เชื่อหรอกไม่งั้นเขาพูดภาษาไทยไม่ได้มาก ข, ขนาดนี้หรอกถ้าจําอะไรไม่ได้เห็นคุยเรื่องอื่นนะครึ่งชั่วโมงผ่านไปก็แล้วเเมื่อไหร่จะจบสักที น, นะชั่วโมงหนึ่งก็แล้วคุยได้ตั้งเยอะแยะไปหมดเลยนั่นแสดงว่าความสามารถไม่ใช่เขาไม่มีเพียงแต่เขาไม่ใช้ในสิ่งที่ควรควรจะเป็น ถ้าเขาใช้ในสิ่งที่ควรจะเป็นเช่นเจริญเมตตาเป็นต้นเนี่ยนะเขาเขาจักได้จริงๆเพียงแต่ว่าเขาน้อมไปเจริญให้เป็นนั้นการตั้งอัตตาสัมมาปณิทิไม่ควรกลัวควรตั้งบ่อยๆควรตั้งให้มากๆะนะเพราะว่าถ้าเราตั้งก็เหมือนกับการรู้จักให้กำลังใจตัวเองคือใจเนี่ยนะพรอองค์สอนเรื่องพระห้าใช่หเราต้องให้ศรัทธาพระกับตัวเองเกิดขึ้น ให้เรามีวิริยะพละให้มีสติพละสมาธิพละและปัญญาพละนะอย่างที่กล่าวว่าศรัทธาพละก็คือเจริญพุทธานุสติวิริยะพละก็เจริญมรรนานุสติเนะสมาธิพละก็เจริญเมตตาหรือเจริญอสุภะนี่นะัสตินี่แหละเป็นตัวที่ทำให้เราเจริญกุศลธรรมเหล่านี้ได้มันเราก็ตั้งอัธยาศัยน้อมไปทีนี้ถ้าศึกษาคําสอนนะทุกบททุกบทจะ เกื้อกูลต่อการเอาไปเจริญถ้าเราเจริญพระธรรมเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมอยู่แล้วในชีวิตที่เป็นจริงเ่ยนะการศึกษาพระธรรมของเราจะเกื้อกูลต่อการปฏิบัติของเราอย่างมากนะซึ่งซึ่งเป็นไปได้อยู่แล้วที่เราจะเจริญได้